จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นสมบัติที่เราจะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่เราต้องจากร่างกายนี้ไปบุญนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่เราสามารถใช้ ในเวลาที่เราเดินทางไปตามพบต่างๆได้ถ้าเรามีทรัพย์มีเงินมีทองเวลาเราเดินทางไปไหนเราก็สามารถซื้อสิ่งจำเป็นต่างๆที่เราต้องการได้เช่นตอน น, อ น, นี้ตอนที่เรายังมีร่างกายอยู่ถ้าเราอยากจะเดินทางไป ตามสถานที่ต่างๆถ้าเราไม่มีเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปอย่างลำบากเพราะว่าเราต้องซื้อของต่างๆซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออาหารซื้อเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆถ้าเราไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้ ก็ต้องไปอาศัยอยู่ตามวัดตามวาไออาศัยข้างวัดกินแต่ถ้าเรามีเงินทองเราก็ไปพักตามโรงแรมระดับหลายดาวได้มีเงินมากก็อยู่ระดับห้าดาวได้มีเงินน้อยก็อยู่ระดับสองดาวหนึ่งดาวกินอาหารก็กินอาหาร ตามที่เราเลือกได้ถ้าเรามีเงินถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องกินตามมีตามเกิดกินแบบขอทานฉันใดใจของพวกเราที่จะต้องจากร่างกายนี้ไปก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเราอยากจะไปอย่างสบาย กินอยู่สบายได้เที่ยวได้ดูสิ่งต่างๆเราก็ต้องมีทรัพย์ติดตัวไปถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็จะไปเป็นแบบขอทานไปแล้วถ้าเรานอกจากไม่มีทรัพย์แล้วเยังกลับไปสร้างหนี้ไปมีหนี้เราก็ต้องไปใช้กรรมในคุบในตาราง ไปใช้หนี้ในคุบในตารางเพราะเราไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั่นเองนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นชีวิตของพวกเราไปต่อไปเรื่อยๆร่างกายของพวกเราเนี่มันมีที่จบหรือมันก็ไปที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นก็ไปวัดไห้สุขสาร ไปเมนนี่คือที่ไปของร่างกายของพวกเราแต่ใจผู้ที่มมาอาศัยร่างกายนี้มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้สิ้นไม่ได้สุดไปกับความสิ้นสุดของร่างกายใจของเราต้องไปต่อไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาตราบใดที่เรายังมี ความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็ยังจะต้องไปต่อไปเดินทางไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้พวกเราหยุด การเวียนว่ายตายเกิดกันหยุดการไปทำบาปทำกรรมกันหยุดไปเกิดแก่เจ็บตายกันไม่มีใครรู้วิธีของการที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้จักวิธี หยุดการเวียนไหวาตายเกิดได้พอรู้แล้วและทรงหยุดการเวียนไหวาตายเกิดของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์ก็ทรงเอามาสอนผู้หูผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติด้วยความศรัทธาด้วยความวิริยะอุสาหะไม่ช้าก็เร็วก็สามารถยุดการเวียนไหวาตายเกิดได้ บุคคเหล่านั้นเราก็เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มาทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่จะมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธี ยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วเรามีศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติ<ม>เราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือถ้ายังไม่ยุติเราก็จะเดินทางไปสู่การสิ้นสุดเดินทางไปสู่ความสุขความเจริญ ตามลำดับไปเรื่อยๆถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราสร้างสเบียงกันสะสมสเบียงกันสะสมทรัพ์ภายในกันเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้ในที่สุดรับสมบัติหรือซั์ภายใน หรือสเสบียงที่เราจะเอาติดตัวไปนี้เราเรียกว่าบุญนี่เองบุญนี้จะเป็นเหมือนเงินทองที่เราเอาไว้ใช้เวลาที่เราเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเวลาเราเออกจากร่างกายนี้ไปเราไม่สามารถเอาเงินทองที่ใช้อยู่ในโลกนี้ไปได้เหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศเราไม่สามารถเอาเงินบาท ไปใช้ตามประเทศตา่ตางๆได้เราต้องแลกเงินบาทอันแล้วก็เอาเงินที่สามารถไปใช้ตางประเทศตา่ตางๆได้เช่นเงินดอลเงินยูโรถึงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของเอาไปจ่ายค่าพักค่าอาหารได้ฉันใดพอเราออกจากร่างกายเราไปแล้วเราก็ต้อง เอาทรัพย์ภายในไปใช้เราไม่สามารถเอาเงินบาทเอาสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไปใช้ได้ดูเวลาคนตาย <c oughs> เขาไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยถึงแม้เขาจะเป็นมาหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเงินหมื่นล้านแสนล้านนี้เอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้ก็คือบุญเท่านั้นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาทำบุญกันบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันให้ทำไปตามความเหมาะสมตามโอกาสบุญนี้จะแบ่งไว้เป็นบุญสองส่วนก็ได้บุญที่ต้องทำเป็นประจำเหมือนกับอาหารที่เราจะต้องรับประทานอยู่เรื่อยๆ แล้วก็บุญที่ทำไปตามเวลาตามโอกาสเหมือนกับขนมนมเดลที่เราอาจจะรับประทานก็บ้างก็ได้ไม่รับประทานก็ได้แล้วแต่ว่าจะมีโอกาสได้ซื้อมารับประทานหรือไม่แต่อาหารที่เราต้องรับประทานประจำก็คือกับข้าวกับปลา แล้วก็ของข่าวอะไรต่างๆที่จาเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายบุญที่เราจะต้องเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอก็มีและบุญที่เราทำตามการตามโอกาสก็มีบุญที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอก็คือหนึ่งทานทานก็คือบุญที่เกิดจากการให้สิ่งของต่างๆแก่ผู้อื่น ให้ความสุขแก่ผู้อื่นจะเป็นกับข้าวกับปลาอาหารจะเป็นเงินทองจะเป็นเครื่องใช้ไม่สอยจะเป็นอยู่ยาอะไรต่างๆก็ได้ที่ทาให้ผู้รับนั้นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างที่ญาติโยมได้มาทำกันเป็นประจำเรียกว่ามาทำทานเอากับข้าวกับปาอาหารของข้าวของหวาน มาถวายพระเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการทำทานทานนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดบุญคือสบียมที่เราจะเอาติดตัวไปได้ซับภายในอาหารของใจทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจนะเวลาญาติโยมทำบุญญาติโยม ได้ความอิ่มเอิบใจได้ความสุขใจอันนี้เป็นเหมือนอาหารที่ควรที่จะทำอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำให้ใจนั้นไม่หิวโหวยเพราะจะช่วยดับความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปได้อันนี้คือบุญข้อที่หนึ่งคือบุญที่เกิดจากการให้ บุนข้อที่สองที่ควรจะทำอยู่เป็นประจำก็คือศีลคือการรักษาศีลหคือการละการทำบาปห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งต้องไม่ทาไม่ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่ไม่พูดปดและห้าไม่เสพสรารยาเมาอันนี้ ถ้าสามารถรักษาศีลห้าข้อนี้ได้ก็จะได้บุญบุญอันนี้คืออะไรก็คือการไม่ได้ไปสร้างหนี้สร้างเวรสร้างกรรมนั่นเองถ้าเราไม่รักษาศีลเราไปข่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปกรเสพสรายามเท่ากับเราไปก่อหนี้ไปกู้หนี้ยืมศีลมา แล้วพอถึงเวลาที่จะต้องใช้หนี้ถ้าเราใช้ไม่ได้ไม่มีเงินใช้เขาเขาก็จะจับเราไปขังคุกขังตารางฉันใดผู้ที่ไม่รักษาศีลทำบาปทำกรรมเวลาตายไปนี้จะต้องไปใช้หนี้ก่อนจะต้องไปใช้หนี้ในอบาย อบายนี้ก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันหนึ่งคือเดชะฉานสองเปรกสารอสุรกายและสี่นรกนี่คือที่ผู้ที่ไม่รักษาศีหจะต้องไปใช้กรรมก่อนถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้และจะไม่ได้ไปเที่ยวในสวรรค์ผู้ที่จะไปเที่ยวในสวรรค์ได้นี่ จะต้องรักษาศีลห้านี้ให้ได้และต้องทำทานอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้ไปเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลและเกิดจากการทำทานทำสองข้อนี้ได้ตายไปก็จะไปสวรรค์เหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศพอเงินหมด ก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอบุญหมดก็จะลงมาจากสวรรค์แล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่เพราะว่ายังไม่ได้กำจัดเหตุที่ทำให้เราไปเกิดแก่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุนั้นก็คือตัณหาความอยากต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในระดับ ขั้นต่อไปอันนี้เรียกว่าขั้นที่สามเรียกว่าขั้นภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนาถ้าทำบุญขั้นนี้ได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถาภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา ก่อนที่จะไปขั้นที่สองได้ต้องขึ้นขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือก่อนที่จะขึ้นมัธยมได้ก็ต้องผ่านขั้นปถมไปก่อนฉันใดก่อนที่จะขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสสนาได้ก็ต้องขึ้นไปขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือขั้นสมถะ ภ, ภาวนาสมถภาวนาก็คือการ ทำใจให้สงบเพราะว่าเวลาทาใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขถ้าใจยังไม่มีความสุขใจจะไม่สามารถขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสสนาได้เพราะขั้นวิปัสสนานี้จะเป็นขั้นที่จะไปต่อสู้กับความอยากความโลภต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะอยากไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ เช่นอยากจะไปแต่งงานอยากจะไปมีแฟนอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆเพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราเพราะเราไม่มีความสงบเราก็เลยจะสู้ความอยากต่างๆไม่ได้พอเพื่อนมาชวนให้ไปก็ไปแล้ว พอมีความอยากดูก็ต้องเปิดดูอยากฟังก็ต้องเปิดฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ต้องไปเปิดตู้เย็นหามาดื่มหามารับประทานเพราะเราไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มในตัวเรานั่นเองเราเลยต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆความการที่ไปออกหาความสุขจากสิ่งต่างๆนี้แล้วเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปเกิดใหม่ พอเวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากที่อยากจะหาความสุขต่างๆยังไม่ตายไปกับร่างกายมันก็เลยดึงใจของเราให้กลับมาหาร่างกายอันหม่หลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาปแล้วเราก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้ไปทำตามความอยาก แต่ถ้าเรามีสมรถะมีความสงบแล้วพอเราเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาเราก็จะสู้กับความอยากได้ขั้นวิปัสสนาก็คือขั้นสอนใจอย่าไม่ให้หลงไปทาตามความอยากนั่นเองคอยสอนใจเตือนใจว่าการทำตามความอยากสามประการคืออยากร่องอยากรวย อ, อยากมีความสุข กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้จะพาให้เราต้องไปเกิดหมา ก, การไปเกิดก็เป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองเพราะการเกิดนี้มันไม่ได้เกิดแล้วมันจะอยู่ไปอย่างสบายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตาย แต่ไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่มีใครหนีความพลาดพลาดจากกันไปได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหนีได้ก็คือต้องไม่กลับมาเกิดและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องใช้วิปัสสนาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเรามีความสุขแล้วในใจของเราเราไม่ต้องไปหาความอยาก หาความสุขจากสิ่งภายนอกแล้วไปก็จะพาให้เราต้องไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากกันไปเวลาจากกันมันสุขหรือมันทุกข์ตอนนี้เราอยู่คนเดียวได้เรามีความสุขใจแล้วเราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราผู้ที่มีความสุขใจแล้ว พอมีวิปัสสนามาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปหาอะไรมาให้ความสุขเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นความสุขปลองมันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปหมดและเวลาหายไปก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าส้อยหงอยเหงา ทำให้เราต้องไปหาของใหม่ๆมาให้เรามีความสุขอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยก็ต้องหมดไปอยู่ดีนี่คือวิปัสสนาให้คอยเตือนใจสอนใจว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในความสงบนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันมี วันที่จะต้องเสือ่อมมีวันที่จะต้องหมดไปนั่นเองนี่คือวิปัสสนาถ้าเรามีสมถะเราก็จะทำตามที่วิปัสสนาสอนเราได้ทุกครั้งเวลาอยากได้อะไรก็ตัดมันหยุดมันสู้มันได้คนที่มีความสงบนี้สามารถอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าไม่มีความสงบนี้จะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ พอเกิดความอยากแล้วจะต้องดิ้นพร่านไปเลยจะต้องดิ้นไปจนกว่าจะได้ทำตามความอยากถึงจะสงบตัวลงไปแต่ก็สงบตัวเพียงเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกนี่คือการหาความสุขของพวกเราในขณะนี้พวกเราหาความสุขตามความอยากกันพออยากปั๊บต้องไปแล้ว อยากไปไหนก็ต้องไปอยากดูก็ต้องดูอยากฟังก็ต้องฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ต้องดื่มต้องรับประทานแล้วมันหายไปไมความอยากเหล่านี้มันก็หายไปเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็กลับมาใหม่เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะดึงให้เรากลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อไป แต่ถ้าเรามีภาวนาทั้งสองระดับมีสมถะมีวิปัสสนาเราจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้และเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือ <c oughs> บุญที่เราต้องทำกันสามอันสามอันนี้เป็นบุญที่เราต้องทำประจานอกจากนั้นก็ยังต้องทำบุญข้อที่สี่อยู่เป็นประจา คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆเราจะไม่รู้วิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างน้อยสมัยโบราณท่านก็ให้มาวัดในวันพระกันแต่สมัยปัจจุบันนี้ เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกหนทุกแห่งไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อที่สามารถบันทึกเสียงธรรมไว้ได้สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยพยายามฟังมากๆแทนที่จะไปฟังเพลงฟังเรื่องฟังละครฟังนิยายฟังอะไรต่างๆฟังธรรมกันดีกว่าแล้วจะทาให้เกิด ปัญญาเกิดวิปัสนาขึ้นมาแล้วพอเรามีส ม, มถะความสงบเราก็จะสามารถค่าความอยากต่างๆให้หมดไปได้นี่คือบุญที่เราควรจะกระทำอยู่อย่างประจำมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือทานสีงภาวนาและการฟังเทศฟังธรรมส่วนบุญอย่างอื่นนี้เราก็ทำไปตามโอกาสเช่น เวลาเราทำบุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทำนี้แบ่งให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วผู้ที่ไม่มีบุญติดตัวไปเวลาตายไปเพื่อคนที่เรารักไปบบไม่มีบุญติดตัวไปเวลาเราทำบุญแล้วเราก็สามารถส่งบุญส่วนหนึ่งไปให้เขาได้เพื่อบรรเทาความหิวโหวยความทุกข์ยากลาบาก เหมือนกับเวลาที่เขาเดินทางไปต่างประเทศแล้วขาดเงินขาดทองเขาโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเราก็โอนเงินเข้าบัญชีไปให้เขาได้บุญอุทินนี่ก็เป็นในลักษณะนั้นให้คนที่ตายไปแล้วเวลาที่เขาขาดบุญถ้าเขามาเข้าฝันมาขอความช่วยเหลือเราก็ไปใส่บาตถวายเงินทองถวายอาหาร ต่างๆแล้วเราก็กวดน้ําไปกวดบุญไปแบบ น, นี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศการอุทิศบุญนี้ก็ทําให้เรามีบุญเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็ทําไปตามโอกาสการอนุโมทนาบุญก็ทําไปตามโอกาสเวลาคนอื่นเขาทําบุญเขาชวนเราเราก็ร่วมบุญด้วยก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญเช่นญาติพี่น้องมี โอกาสพิเศษอยากจะไปถวายผ้าป่าก็บอกบุญกับเราเรารู้เราก็ร่วมบุญกับเขาอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วก็บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นรับใช้บิดามารดาผู้ที่มีพระคุณต่างๆเวลาเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปให้ความช่วยเหลือเขา อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความกะตันยูกะตะเวทีเป็นการสร้างบุญอีกแบบหนึ่งให้ติดตัวไปบุญที่เราทำนี้มันจะกลับมาหาเราเวลาที่เราต้องการมันเวลาที่เราเดือดร้อนถ้าเราเคยช่วยเหลือผู้อก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือเราเวลาเราจะทำบุญก็จะมีผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราเวลาเราขาดเงินขาดทอง ก็จะมีเงินทองมาหาเราถ้าเราทำไปเรื่อยๆนี่คือบุญต่างๆที่เราทำนอกจากนอกจากบุญที่จำเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอวดเกง่งอวดเบง่งอวดดีอวดเด่นเพราะว่าจะทำให้อยู่กับคนอื่นไม่ได้ คนเรานี้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันเพราะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันทะนั้นเวลาอยู่ร่วมกันอย่าอวดเก่งอวดดีอวดแบ่งอวดใหญ่อวดโตพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้เป็นผ้าที่ริว้วแล้วจะอยู่กับใครก็อยู่ได้ยินดีที่จะให้ผู้อื่นเขาเก่งกว่าเรายินดีให้ผู้อื่นเขาดีกว่าเราใหญ่กว่าเราโตกว่าเรา เราขอเป็นตัวเล็กๆน้อยๆและเราจะอยู่อย่างสบายเพราะจะไม่มีใครมารังเกียจเราแต่ถ้าเราทาเป็นคนเก่งคนคนใหญ่คนโตจะมีคนหม่นใส้และมีคนที่จะคอยขัดขวางเราจะทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จนี่คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประการต่อมาบุญ ที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราต้องไปต่อและการที่เราจะไปดีและไม่กลับมาได้เราต้องสร้างบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างกันเช่นทําทานรักษาศีลนักภาวนาจน ในที่สุดเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราหลุดพ้นได้แล้วขั้นต่อไปก็ทําบุญชนิดสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก่อนที่เราจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเราต้องมีธรรมะในตัวเราก่อนถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะเอาธรรมะไปให้ใครได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเงินเราจะเอาเงินไปให้คนอื่นได้อย่างไร เราต้องหาเงินหาทองให้มากให้ได้มากๆ ก, ก่อนพอเรามีเงินทองมากแล้วเราก็สามารถเอาเงินไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้ฉันใดธรรมมากก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่มีธรร ม, มเราก็ต้องสร้างธรรมให้เกิดขึ้นก่อนธรรมก็เกิดขึ้นจากการฟังเทศ<ม>ฟังธรรมและเกิดจากการภาวนานี่พอเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราไปภาวนา ต่อไปเราก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆพอได้ทําขั้นต่างๆแล้วเราก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้อันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรายังไม่มีธรรมะเราก็เอาธรรมะของครูบาอาจารย์ไปแจกจ่ายก็ได้ด้วยการพิมพ์หนังสือของครูบาอาจารย์จัมจา น, จจานไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่นพอเขาได้อ่านเขาก็จะได้ธรรมะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้แล้วเราก็จะได้ความสุขได้มีสบียงติดตัวไปกับเราต่อไปอันนี้คือบุญต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างมาทำกันขอให้เราพยายามทำกันอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไปดีจะไปสู่สุขติไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด จึงขอฝากเรื่องของการมาสะสมบุญสะสมสเสบียงสะสมทรัพย์ภายในที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้เพื่อที่เราจะได้ไปอย่างสบายและไปอย่างไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปการจสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไตร